239ริปราวสในจิตคืออย่างไรวิปราทในจ Bang ิตแบ่งออกเป็นสประการได้แก่ 1. ่ผู้ไม่เรียนรู้สัญญาเลยหรือเรียนแต่ยังไม่รู้จกักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัญญาบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าสัญญาคืออะไร สัญญาสำคัญแค่ไหนและจะใช้สัญญาในชีวิตเราอย่างไรผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นสัญญาสมบูรณ์ก็จะเป็นคนที่กําหนดหมายกําหนดรู้ในอะไรต่ออะไรหรือใช้สัญญาในอะไรต่ออะไรผิดพลาดไปจากความเป็นจริง 2. ผู้ไม่เรียนรู้จิตเลยหรือเรียนแต่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าจิตคืออะไรจิตสำคัญแค่ไหนและจะใช้จิตในชีวิตเราอย่างไรผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตสมบูรณ์ ก็จะเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวบงการในจิตหรือในชีวิตชีวิตของผู้นั้นก็มีแต่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริง 3. ผู้ไม่เรียนรู้ทิฏฐิเลยหรือเรียนแต่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นทิฏฐิบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าทิฏฐิคืออะไร ทิฏฐิสำคัญแค่ไหนและจะใช้ทิฏฐิในชีวิตเราอย่างไรผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นทิฏฐิสมบูรณ์ก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อทฤษฎีหลักลทัทธิในอะไรต่ออะไรหรือมีทิฏฐิในอะไรต่ออะไร นำพาชีวิตผิดพลาดไปจากความเป็นจริงจากที่ควรเป็นอย่างยิ่ง